การแสดงทำให้พี่น้องทั้งหลายทราบในวันนี้ซึ่งเคยอยู่วัดนี้มานานตั้งแต่เริ่มท่านพ่อลีสร้างวัดขึ้นที่นี่เราไปมาหาอยู่หาสู่และอยู่กับท่านเรื่อยมาจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปแล้ววัดนี้เราก็ถือเป็นวัดของเราเรื่อยมา จะเรียกว่าเป็นพี่ชายใหญ่ของวัดอโศการามก็ไม่ผิดเพราะเราเคยตั้งแต่ท่านเริ่มสร้างวัดนี้มาก็ได้มาอยู่กับท่านไปมาหาสู่ตลอดมาจนกระทั่งท่านวรภาพแม้ท่านล่วงไปแล้ววัดนี้ก็เป็นวัดของเราอยู่ดั้งเดิมในความรู้สึกที่ฝังลึก เพราะฉะนั้นเราอยากจะไปจะมาวัดนี้เมื่อไรล้วก็ไปมาอย่างสะดวกสบายเหมือนกับเป็นกิ่นฐานบ้านเดิมของเราหรือวัดของเราวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีงามที่พี่น้องทั้งหลายจะได้ทราบ <c oughs> เรื่องอัดเรื่องธรรมและการปฏิบัติของพระธุดงกรรมฐานท่าน วัดนี้เป็นวัดทุดงกรรมฐานมีท่านพ่อลีเป็นผู้ก่อตั้งมาดั้งเดิมจนเป็นวัดใหญ่โตปรากฏชื่อลรือนามทั่วประเทศไทยเรียกว่าเป็นวัดกรรมฐานท่านพ่อลีท่านเป็นลูกจิตที่โปรดที่สุดของหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่ดั้งเดิมท่านเป็นอาจารย์ที่อาถรรพ์ชาญชัย เอาจริงเอาจังทุกอย่า ง, งรู้สึกว่าถูกอัตยาศัยของหลวงปู่ม่นเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะท่านจริงจังเด็ดเดี่ยวอจหารในทางความดีไม่สะทกสะทานในการสร้างความดีมาเรื่อยมาจนได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์เริ่มมาตั้งแต่จังหวัดจันทบุรี มาสร้างวัดสร้างวาพี่น้องชาวจัน์ก็ได้หลักได้ฐานเลื่อยมาตั้งแต่บัดนั้นหลังจากนั้นก็ท่านอาจารย์กลงมาท่านอาจารย์จยันร์ไปบำเพ็ญสมมาธรรมและโปรดพี่น้องชาวจัน์มาตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาท่านพ่อลีจึงได้มาสร้างวัดที่นี่ <c oughs> เรืองเป็นวัดที่เป็นรากฐานสำคัญในปัจจุบันนี้ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมานมนานไม่ค่อยเอยนเอียงกับโลกามิรสิ่งหลอกลวงทั้งหลายเหมือนที่อื่นๆส่วนมากกรรมฐานาเรามักจะเอยนเอียงหรลบเหลวไปเพราะโลกามิสสิ่งล้วลวงทั้งหลายเพราะโลกามิรนั้นมันเป็นหยื่อล่ อ, อของกิเลสที่จะคอยทำลายทำใครเผลอไม่ได้ โลกามิตรความเคารพนับถือจตุปัจจัยทตรฐาน <c oughs> ที่เขาให้ทานด้วยหมักมาด้วยความเคารพเรื่องใสแต่ผู้รับกลายเป็นผู้ลืมเนื้อลืมตัวในความเคารพนับถือตลอดจดตุปัจจัยไตรฐานที่เขานํามาถวา ย, ยกลายเป็นพระเสียหายล้มเหลวไปตามได้ไมีจํานวนมาก <c oughs> ทั้งวัดอโศกรามนี้เท่า ท, ที่ทราบมาโดยตลอด เป็นวัดที่ส่งสม่มัตเสมอเสมอต้นเสมอปลายไม่ผ่าโถนโจรทะยานในทางที่ไม่เป็นธรรมทั้งหลายไม่ค่อยปรากฏว่ามีในวัดนี้หากจะมีบ้างก็เป็นธรรมดาของคนเราเจ้ามีผีพลาดแต่ไม่ได้ปรากฏว่าเป็นความรุนแรงนี่จึงสมนามว่าวัดนี้เป็นวัด กรรมฐานที่ท่านพ่อหลีประสิทธิ์ประสาทให้บรรดาพระทั้งหลายที่มาอยู่ที่นี่เป็นลูกศิษย์ของท่านพอ่อหลีและเป็นวัดกรรมฐาน <c oughs> บําเพ็ญตนเลื่อยมานี่เรียกว่าวงกรรมฐานพระพุทธเจ้าเป็นพระกรรมฐานอันใหญ่หลวงที่สุดตั้งแต่วันเสด็จออก ทรงผนวดแล้วทรงบำเพ็ญพระองค์เต็มพระสติกําลังพามสามารถเลื่อยมาจนปรกากฏว่าทรงสรุปสลายไปถึงสามครั้งเพราะการต่อสู้กับกิเลสอันเป็นฝ่ายต่ำสามและเป็นข่าศึกศัตรูต่อธรรมและต่อความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ ก็ทรงฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ผ่านมาได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์เอกขึ้นมาประกาศธรรมสอนบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเริ่มต้นตั้งแต่จัดสรูท้ทีเดียวเลื่อยมาเมืองต้นจริงๆก็ทรงอุปสมบทด้วยเอหิพิกุอุปสัมปทา <c oughs> เพียงรั้นพระวาจาว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วเท่านี้ก็เป็นภิกษุโดยสมบูรณ์ถ้าผู้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็รับสั่งว่ า, าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าผู้ยังไม่สิ้นเกิเล็ตก็ทรงเพิ่มเขาอีกว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถอด ทาเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์เถิดนี่เป็นบทที่สาม <c oughs> เปลี่ยนจากนั้นมาก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ประทานพระโอวาจกพระสงฆ์ผู้บวชไม่ว่าพระภิกษุรูปใดจะประทานพระโอวาท บทนี้ให้สม่ำเสมอแม้องค์หนึ่งไม่เคยเว้นไปได้เลยว่าลุกขมูลเซนาสนางนิสาจะปปะชาตาทะเตยาวชีวังอุซาโฮกรณิโยบรรุประชาอุปสมบทแล้วให้เธอทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลุขมลลกขโมโรไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเนื้อผาป่าช้าป่ารกชัก แล้วจรงทำความอุตส่าห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่คือพระโอวาทที่ประทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ธรรมะพระโอวาทอันนี้จะปล่อยวางไปไม่ได้ยึงต้องมีมาตลอดทุกวนันนี้นี่เรียกว่าวงกรรมาฐานยึงต้องปฏิบัติตามแนวทางอันนี้ เพื่อสั่งสมอัตธรรมเข้าสู่ใจสถานที่ดังกล่าวนี้ไม่มีใครประสงค์ความผู้พลานวุ่นวายทั้งหลายไม่ค่อยเข้าไปเกี่ยวข้องแต่เป็นสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อชาระสะสารกิเลสซึ่งอยู่ภายในจิตใจนั้นให้ถือจางและเหดแห้งงไปเป็นลาดับจากสถานที่เช่นนั้น จนปรากฏผลเป็นที่พอใจเรื่อยมาว่าองค์นั้นสําเร็จเป็นพระพระโสดาองค์นั้นสําเร็จเป็นพระสกิทาคาองค์นั้นสําเร็จเป็นพระอนาคาองค์นั้นเป็นสําเร็จเป็นพระรหันจากสถานที่ที่พระองค์ประทานพระวจนะให้แล้วดังที่กล่าวมานี้ ที่มาปรากฏเป็นสาระของพวกเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่เวลานี้ก็คือท่านผู้สำเร็จทำออกมาจากสถานที่เช่นนั้นแหละเรากล่วกาวถึงท่านว่าพุทธังทำมังสังขังสนังกฉามิพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นในป่าพระธรรมได้ปรากฏขึ้นในป่าจากการบําเพญของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกบำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไปแล้วได้สำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นสารณะของพวกเราทั้งหลายนีรสละศาสนาท่านนำมาอย่างนี้จึงเป็นทีท่ให้ความร่มเย็นแก่บรรดาสัตว์ที่ได้ยึดถือฝากเป็นฝากกายกับท่านแล้วกรรมาฐานคำว่ากรรมาฐานนั้นแปลว่า สถานที่ประกอบการงานบางคนจะไม่เข้าใจว่ากรรมฐานแปลว่าอะไรแปลว่าสถานที่ประกอบสมรกิจของพระเพื่อชำระกิเลสให้สิ้นประจากจิตใจจึงเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนวัดป่ากรรมฐานจึงมีเลื่อยมาจงทั่งปัจจุบันนี้ เช่นวัดนี้ก็คือวัดอโศการามแม้จะมาได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนครั้งนั้นก็ตามเพราะยังเป็นแบบเป็นฉบับพอรยึดเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคุณระบุสุดท้ายภายหลังต่อไป <c oughs> สำหรับหลวงตาเอง ที่เคยเข้าออกอยู่ในสถานที่นี้เป็นที่ยินดีชมเชยกับบรรดาพระเดนตั้งหลายซึ่งอยู่ในวันนี้รู้สึกว่าปฏิบัติราบรื่นดีงามสม่ำเสมอด้วยมาจึงได้เข้าออกเข้าออกอยู่เสมอ <c oughs> การปฏิบัติธรรมที่จะให้เป็นผลเป็นประโยชน์ตามหลักศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านั้น ไม่ว่าคาระวะไม่ว่าพระต้องมีความจริงใจมีกฎมีข้อบังคับสำหรับดัดแปลงกายวาจาใจของตนที่เห็นว่าไม่ดีตรงไหนตรงไหนแก้ไขดัดแปลงไปเป็นลำดับจึ่งเรียกว่าลูกจิตมีครูหรือเรียกว่าเราเป็นลูกชาวผุธหรือเราเป็นชาวพุด อย่าได้ปล่อยเนื้อปล่วยตัวเล้วไหลโลเลไปแบบหาต้นหาปลายไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ลูกชาวปุดจะเรียกว่าลูกเทวทัตต่อสู้ครูคือพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้สร้างคุณงามความดีแต่เรากลับไปสร้างตั้งแต่ความชั่วช้ารามกโสปกปรก โสมมนำฟืนนำไฟจากกิเลสตัณหาประเภทต่างๆลั่นเข้ามาเผาหัวใจเราอย่างนี้ไม่สมควรแก่เราเป็นชาวปุธต้องมีกฎมีเกณฑ์มีเครื่องบังคับตนเองพระก็มีศีลจะเพราะอย่างยิ่งศีลเป็นเครื่องบังคับกายวาจาใจของพระให้คงเส้นคงวาหน า, นานแน่นไปด้วยศีลทำข้อนั้นๆั่น นี่เรียกว่าชีวิตของพระเพศของพระจูกับศีล น, นี่เป็นสําคัญถ้าศีลได้ด่างพร้อยหรือขาดทะลุไปเสียพระก็สักแต่ว่าเป็นรูปของพระศีรษะล้โล้นครองผ้าเหลืองอยู่ฉะนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับเอาผ้าเหลืองไปคลุมหัวตอไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นพระจึงต้องปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรมของพระมีความเข้มงวดขวดขันต่อศีลต่อธรรมของตนไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่าเลิกยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมซึ่งเป็นคุณภาพอันสูงสุดในสามเด่นโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนศีลธรรมนี้เลย <c oughs> เราจึงต้องรักต้องสงวนศีลธรรมของเรา เรื่องเสียงภายนอกอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยนั้นไม่รูหราคุ้งเฟือยให้ทาตามแบบของพระพุทธเจ้าเพื่อความมุ่งมั่นต่อธรรมเป็นหลักใหญ่อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ไปขอให้ได้บำเพ็ญสมณธรรมแก้กิเลสชํารละกิเลสออกจากใจแล้วเป็นที่พอใจสำหรับสมณะเรา สิ่งภายนอกเพียงอาศัยท่านจะเรียกว่าปัจจัยปัจจัยเครื่องอาศัยที่อยู่อยู่ที่ไหนก็ได้สำหรับผู้มุ่งต่ออดต่อธรรมแล้วไม่ถือที่อยู่เป็นสำคัญยิ่งกว่าอาจกว่าธรรมการกินกินยังไงการขบการฉันทาวานเขาให้มาอย่างไรฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่มี ความสนใจใคร่ต่อรสต่อชาติยิ่งกว่าความสนใจใคร่ต่อต่อธรรมที่จะนำตนให้พ้นจากทุกนี่เรียกว่าการอยู่การกินการใช้าการสอยของพระในครั้งพุทธการท่านบอกไว้ว่ามีเพียงบริขารแปดไม่พูุงพลังไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายสำหรับผู้ดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ถือสิ่ง ทั้งหลายที่เป็นของเหลือเฟื่อนั้นว่าเป็นไผ่ว่าเป็นค่าศัตรูต่อการบำเพ็ญด้วยความคล่องตัวของตนจึงมีแต่เพียงบริขารแปดสบงกีวรผ้าสังคาติหลังจากนั้นท่านทรงอนุญาตให้มีผ้าอาบน้ำแต่ก่อนพระท่านอาบน้ำเรลือยกายอาบ เพราะอยู่ในที่ป่าลึกๆลับๆไม่มีใครไปพบไปเห็นท่านก็หลบซ่อนตนอาบน้ำอยู่ในที่เช่นนั้นขันต่อมาพระเอิญ <c oughs> มีเหตุการณ์เกิดขึ้น <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการเปลือยกายอาบน้ำท่านจึงทรงอนุญาตให้มีผ้าอาบน้ำอยู่ผืนหนึ <c> ่ง <oughs> บริขารแปดนั้นคือผ <c oughs> ้าสัง อวอนสบงสังคาติบาทประคดเอวกรองเข็มแต่ก่อนไม่มีจักเยผ้ากรองเข็มรรมกรกเครื่องกรองน้ำมีดโกนเพียงเท่านี้ก็พอดีกับการอยู่การไปการสะพายไปในที่ต่างๆไม่หนักหนาจนเกินไป แล้วมีความหนักแน่นในอัตธรรมบำเพงเต็มกับส ต, ติความสามารถของตุนทำละสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจนั้นในภาษาศาสน า, า, า, าท่านให้ชื่อว่ากิเลสกิเลสนี้แปลได้ <c oughs> รอบโลกกาะท เพราะโลกธาตุนี้เป็นที่อยู่ของกิเลสทั้งนั้นแปลไปที่ไหนถูกแต่กิเลสไม่มีผิดเพี้ยนไปได้เลยและสรุปความลงแลวกิเลสแปลว่าความเศร้าหมองมืดตื่นสร้างกองทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณเครื่องหลอกลวงก็คือกิเลสตัวนี้มันหลอกลวงโลกหาประมาณไม่ได้ไม่มีสิ้นสุดยุติเพราะความหลอกลวงของกิเลส โลกจึงได้หลงไปตามมันตลอดมาหาที่สิ้นสุดยุติและหาความหาเห็นความเห็นโทษและความอิ่มพอเข็ดลหลาบตอกิเลสเครื่องหลอกลวงนี้ไม่ได้ตลอดมาเช่นเดียวกันโลกจึงมีตั้งแต่ความทุกข์ความลาบากเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดทุกหย่อมยา่าธรรมท่านมองดูโลกท่านไม่ได้เหมือนพวกเราที่เป็นขังกิเลสมองโลก มองโลกโลกคือกิเลสผู้มองก็คือครั้งกิเลสเมื่อมองลงไปกิเลสกับกิเลสก็เข้ากันได้สนิทติดจมไปเลยหาความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้นี่แต่ธรรมท่านมองท่านไม่ได้เหมือนกิเลสมองกิเลสท่านสูงกว่ากิเลสทั้งหมดดังพระพุทธเจ้าทรงรู้แจง้งเห็นธรรมก็คือธรรมที่เหนือโลกเหนือกิเลสทั้งมว น, นั่นแหละ ที่เรียกว่าโล ก, กวีทูรู้แจ้งโลกไม่ว่าโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไปหมดพระไทยก็บริสุทธิพุทโธสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุไม่มีพระไทยหรือจิตดวงใดเสมอจิตของท่านผู้บริสุทธิพุทโธนับแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ลงมาเป็นจิตที่สว่างกระจ่างแจ้ง ไม่มีกิเลสตัวใดเข้าเคลือบเข้าแฝงพอที่จะให้ขุนมัวมั่วมองเลยมีแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งตลอดเวลาดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับปวณสูตรว่าอาโลโกวุดปาดิจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วสว่างโลกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีอิเดียบท เป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นนี่จิตประเภทนี้ทมประเภทนี้แหละท่านมาลองมองดูโลกท่านจึงเห็นโลกคือกิเลสทั้งหลายที่มาหลอกลวงต้มตุ๋นจัดโลกมามากกว่ามากนี้อย่างชัดเจนแล้วทรงนำทรมาแนะนำสั่งสอนสารโลกที่พอจะเป็นไปได้ในแง่ใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนในเบื้องต้นที่ตัดสรูที่แรก ทรงท้อพระไถ่ทัท้งที่ทรงปรารถนาบำเพ็ญพระบารมีมาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าและเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกแต่เวลาทรงบำเพ็ญมาถึงจุดหมายปลายทางคือถึงความเป็นศาสดาเอกตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วโลกที่พระองค์เคยอยู่ จิตใจที่พุยพองค์เคยครองเสี่ยงเจ้าข้องขัวพันุ์ในพระจิตของพระพุทธเจ้าซึ่เคยเป็นมาแต่ก่อนสลัดปรับทิ้งขาดกระเด็นออกจากกันไปหมดเหลือแต่ความบริสุดล้วนแล้วมองย้อนกลับลงมาสถานที่เคยอยู่เคยเกิดเคยตายของพระเกิดความสุขสังเเวชท้อถอยน้อยพระไยัย ที่จะแนะนําสั่งสอนแต่โลกทั้งหลายให้เป็นไปได้ดังที่พระองค์เป็นอยู่เวลานี้ <c oughs> นี่เพราะว่าสิ่งที่โศ ก, กโปร์โซมอมที่เป็นฟืนเป็นไฟนั้นไม่ว่าแต่พวกเราพระพู้ใหเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ได้เคยผ่านสิ่งเหล่านี้อันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ <c oughs> พร้อมกับความเกิดแก่เจ็บตายพัวพันกันตลอดมาอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้น แต่เวลาชาจิตได้หลุดพ้นจากสิ่งที่โศกโปรกโสมมแหลงแห่งวัฏทุก์แห่งวัฏจักรที่ขึ้นไปแล้วมองย้อนหลังลงมาดูสภาพที่เคยอยู่เคยเป็นเคยไปเคยเป็นเคยตายมานี้ดูไม่ได้เลยนั่นละทำเลิศขนาดไหนแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทราบไม่เห็นโทษข้ามัน ถึงพระไทยเหมือนเวลาตรัสรู้แล้วก็อยู่กับโลกเขาทั่วๆไปนั่นเองไม่มีผิดกันอะไรพอได้ตรัสสรู้รมแล้วสิ่งนี้เห็นว่าเป็นภัยอย่างยิ่งด้วยพระจักสุยางอย่างทราบตลอดทั่วถึงเป็นโลกศกรปรกโสมมเป็นโลกที่หมุนเวียนไปด้วยความทุกข์ความทรมานมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกไม่วัน อิ่มพอในความลุ่มหลงและไม่มีวันเข็ดหลักจากขี้เหล่เลยเพราะมันมียาพิษเขามันนั้นมันเคลือบด้วยน้ําตาลเอาน้ําตาลคือสิ่งล่อลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้ดิ้นรนกรวนกวายไปตามมันไม่รู้โทษรู้ภัยครั้งเวลาเจอเขาแล้วจึงรู้ว่าเป็นพิษแต่รู้ว่าเป็นพิษแต่ก็สายไปแต่แล้วจึงยอมรับความทุกข์ ร้อนมากน้อที่ตนสร้างลงไปด้วยความคือความความนองเพราะความหลงตามกิเลสนั้นเรื่อยๆไปอย่างนี้โลกนี้ถ้าไม่มีธรรมเครื่องชำระสาสางซักฟอกบ้างแล้วจะหาความหมายอะไรไม่ได้เลยมีแต่ความทุกความร้อนเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มมสาในหัวใจของสัตว์แต่และดวงละดวก ไม่ใช่ความเดือดร้อนวุ่นวายความทุกข์ความทรมานนี้จะไปอยู่ที่ดินน้ำลมไฟสถานที่ดินฟ้าอากาศแม่นตองฟ้ามหาสมุทรไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านี้แต่อยู่ที่หัวใจของสัตว์แต่ละดวงละดวงเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่อยู่แห่งทุก เพราะไม่มีที่อยู่แห่งกิเลสซึ่งเป็นเครื่องสร้างทุกข์ต่แอแก่จิตใจของสัตว์โลกกิเลสนี้อยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกทุกทุกดวงไม่ว่ามนุษย์สัตว์อินทร์ชมเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆเต็มโลกชาติ น, นี้มีจิตวิญญาณที่กิเลสแทรกแทรกอยู่ในนั้น ซึ่งวันแล้วแต่เป็นพิษเป็นภัยฝังอยู่ในใจของสัตว์โลกแล้วหลอกลวงสัตว์โลกให้หลงงมงายเชื่อตามมันไปจนกระทั่งถึงว่าพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมให้ฟังตามความรู้ความเห็นที่สว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุนี้ว่าบุญมีบาปมี พระองค์ทรงเห็นแล้วทรงรู้แล้วประจักษ์พระไถ่นรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีทรงรู้แจ้งประจักษ์แล้วเต็มพระไถ่พวกเปรพวกผีสัตว์ประเภทต่างๆเต็มโลกธาตนี้มีมีมาดั้งเดิมแต่การไหนๆแม้จะสอนอย่างนี้ก็ตามแต่สัตว์ทั้งหลายก็ไม่ยอมรับเพราะอำนาจของจิเลศ มันครอบมันปิดมันบังไว้หมดถือเอาความไม่รู้ไม่เห็นนั้นมาเป็นสักขีพยานมาเป็นที่ไปไปาเป็นความเชื่อความนับถือมาเป็นตนของตนเสียสิน้นทำแทรกเข้าไม่เลยเพราะฉะนั้นคนจริงไม่ค่อยเชื่อการทำบาป ว่าเป็นบาปทำบุญว่าเป็นบุญนรกเป็นนรกสวรรค์เป็นสวรรค์พรมโลกนิพพานเป็นพรมโลกนิพพานตลอดสัตว์ทั้งหลายเป็นประเภทของสัตว์นั้นๆเต็มทั่วโลกกระฐานนี้สัตว์ทั้งหลายไม่ยอมเชื่อไม่ยอมเคารพนับถือสิ่งที่สัตว์เชื่อซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นโดยไม่ต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดามาเสี้ยมมาสอน ไม่มีครูมีอาจารย์มาบอกไม่มีโรงร่ำหโรงเลียนตั้งเป็นวิญญายมหาวิญยายขึ้นมาดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้ก็ตามคือความโลภนี่คือกิเลสประเภทหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของสัตว์หน้นจิตใจของสัตว์ให้ดิ้นโลนกวนกวยให้มีความอยากความทะเยอทะยานไม่มีวันสิ้นสุดยุติ การเวลาเป็นตายไม่สำคัญอะไรทั้งนั้นว่านารกเปรตอสุรก า, ายเป็นบาปเป็นกรรมทั้งหลายไม่สนใจยิ่งกว่าความอยาความระเยอทยานความดีความดิ้ดนได้ไม่มีเมืองพอนี่อันนี้เป็นหลักใจฟังอยู่ภายในจิตใจไม่จำต้องไปศึกษาเรียนจากใครก็เป็นขึ้นในใจ ดันจิตใจของสัตว์โลกให้ดีดให้ดิ้นตามความอยากความทะเยอทะอยานเป็นอย่างนี้เสมอกันไปหมดไม่ว่าโลกไหนสัตว์ตัวใดก็มีความอยากแต่ไม่ได้อยากมากที่กว่ามนุษย์มนุษย์เหล่านี้รู้สึกว่าอยากโลนมากกว่าเขาความอยู่เป็นอยู่สัตว์ทั้งหลายเขาสร้างรวงสร้างหลังอยู่ในโพรง อยู่ในป่าไม้อยู่ในร่มไม้ที่ไหนมีรวงมีรังเขาก็พออยู่ได้พออาศัยได้เขาไม่ดิดดิ้นผลขวายวิ่งเต้นจนเลยเหตุเลยผลเหมือนมนุษย์เรานี่เราจึงว่าอำนาจแห่งความโลภนี้มันเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่ใจมนุษย์นี่เป็นสําคัญมนุษย์นี้มีความ ตราฐานามากยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงต้องมีความดีดิ้นมากกว่าสัตว์ได้เท่าไหร่ไม่พอบ้านมีหลังหนึ่งแล้วไม่พออยากได้สองหลังสามหลังถูกเป็นตึกแถวเป็นห้องเป็นหับเพื่อให้คนนั้นเช่าเขามาเช่าเท่านั้นเท่านี้เก็บค่าเช่าวันหนึ่งวันหนึ่ง ล, ล่ลมล่ายมน เพอเบอิและมอือไปอย่างนั้นแหล ะ, ะห้องแถววันมีกี่ห้องเมื่อเราสร้างเสร็จตรงไปแล้วแล้วคนมาเช่าแต่และห้องละห้องเราเก็บค่าห้องนี้ได้วันหนึ่งเท่านั้นเท่า น, นั้นนี่เราจะร่ำรวยใหญ่เราจะเป็นคนมัง่งมีสีสุขเป็นคนมีหน้ามีตาเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วๆ่วไป นี่คือกิเลสมันหลอกลวงอย่างนี้เราก็หลงตามมันเอาดีอย่างนี้ได้ตึกหลังหนึ่งไม่พอสร้างสองหลังฟาดโรงแรมโรงแรมเข้าไปอีกไม่ทราบว่ากี่โลกเงินไม่มีในกระเป๋าไปกู้ยืมเข้ามากิเลสหลอกให้ไปกู้ไปยืมเข้ามาได้แล้วจึงไปใช้เขาเพราะอย่างไรความหวังของเราหนี้ต้องสําเร็จเป็นมหาเศรษฐีด้วย ความคิดกำลมแรงๆนี่แน่นอนอันกิเลสมันบอกว่าแน่นอนไม่ได้ว่าลมๆแรงๆนะค่าเวลาดี ด, ดีนทําตามมันไปแล้วเงินหมดในกระเป๋าไปกู้ทางธนาคารเข้ามามีเท่าไหร่กู่มากู้มาเวลาสร้างลงไปแล้วปิดตายปิดตายสร้างยังไม่เสร็จเงินหมดปิดตายสร้างเสร็จแล้วไม่มีใครเข้าอยู่ก็ปิดตายปิดตายแล้ว ที่คาดที่หวังเอาไว้ว่าจะได้ค่าห้องค่าเดือนแล้วท่านั้นเท่านี้หมดความหมายทันทีสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีแต่ความทุกข์ร้อนหาเงินมาใช้นี้เขาไม่ทันดอกเบี้ย บ, บีบวันหนึ่งวันหนึ่งเท่าไหร่ในสร้างความทุกข์ขึ้นถึงขกน็นอนไม่หลับกินไม่ได้บางรายค่าตัวตายก็มีนี่คือความโลภที่เป็นภัยต่อหัวใจสัตว์อยู่ประจํา เราดูเอาทุกคนสิ่งเหล่านี้มีไหมในหัวใจเรานี่แหละศาสนาท่านสอนว่ามันเป็นภยัยถ้าเราถือพระพุทธศาสนาขอให้อยากพอประมาณของเราเป็นชาวพุทธความอยากไม่ใช่คนตายแม้แต่สัตว์เขาก็อยากแต่อยากให้อยู่ในขอบเขตแห่งศีลแงธรรมพอสร้างความสงบร่มเย็นให้แก่เรานั่นไม่เรียกว่าเป็นความอยากที่รุนแรงเป็นภัยแก่ตัวเอง แต่ความอยากที่ผ่าผลโจรทะยะอย่างที่กล่าวมานี้นี่กล่าวเพียงย่อๆนะ<ฮ>เพียงเท่านี้ก็เห็นแล้วเป็นความทุกข์ขนาดไหนบางลายฆ่าตัวตายแบบล้มเหลวล้มเหลวทั้งนั้นนี่แล้วที่นี่พูดถึงเรื่องชื่อเรื่อ ง, เ, องเสียงก็อีกเหมือนกันยศ ถ, ถาบรรดาศักดิ์เสียงคารบริวารไม่เท่าไหร อ, ไรอยากให้เป็นของตัวเองทั้งหมด เงินทองเข่าของกองเท่าภูเขายัางไม่พออยากได้อีกหลายหลายลูกหลายหลายลูกรถถาบนาศสูงขนาดไหนตั้งเลยจะเรียบจะลวดดาวเทียบขึ้นไปก็ไม่พอกับกิเลสกิเลสยังอยาได้สูงกว่านั้นอีกนี่แหละมันหลอกคนอย่างนี้ความโลภหลอกว่านี้ที่นี่ราคะตัญหายิ่งแล้วใหญ่เลยราคาตัญหานี่เป็นตัวโสโปรกมากที่สุด ในสายตาแห่งธรรมและสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกไม่มีประมาณไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลใครก็ต้องติดพันกับมันหลงกับมันจนได้ไม่สงสัยอันนี้ยิ่งมีการส่งเสริมไปแล้วยิ่งเป็นไฟกองใหญ่โลกมาขนาดไหนมากน้อยเพียงไรตัวนี้เป็นตัวหนุนให้โลกได้มาเพื่อบำุงบ่เดตัวราคะตัณหานี้ให้มากที่สุดที่สุด นี่ท่านเรียกว่าี่เลสราคะตัณหาความกำหนัดกินดีในหญิงในชายธรรมดาโลกเขามีทั่วไปท่านไม่ถือว่าเป็นความอยากโลดแต่ที่ลาเลยขอบเขตเลยฝั่งเลยแดนไปนี้ท่านเรียกว่าสร้างความลามกสร้างความทุกข์ความทรมานให้แก่ตัวของเราเองนอกจากนั้น ก็ยังระบาดสาดกระจายไปสร้างความทุกข์ให้แก่ครอบครัวญาติเลวเช่นผัวเช่นเมียผัวไปมีเมียน้อยเป็นอย่างไรหัวใจของผู้หญิงทั้งคนไม่ว่าใจจิตหญิงไม่ว่าใจใครก็ตามใจท่านใจเราผัวไปมีเมียน้อยทั้งคนเป็นยังไงหัวใจของเราชื่เคยอยู่ด้วยความสงบรักชอบฝากเพื่อนฝากตายกันมากี่วันแล้ว มีความบุ่งมุ่นต่อกันขนาดไหนอยู่ๆก็ผัวไปมีเมียใหม่เสียเมียก็ไปวิ่งไปตามหนุ่มเสียแล้วไปยังไงหัวอกของของัวหัวอกของเมียนั้นเป็นอย่างไรบ้างะจะระเบิดทันทีนี่เรียกว่าไฟ มารายกันเผาหัวใจสุดแล้วร้อนไม่ต้องไปตกนระกเมืองผีตกนรกเมืองคนที่สร้างความชั่วอยู่ในเมืองคนนี่ก็พอแล้วเนี่ยอำนาจแถงราคาตัญหาถ้าเรายิ่งเสริมเท่าไรมันยิ่งไปใหญ่ราคาตันหาเหมือนไฟไฟถ้าอยู่ในเตาธรรมดาก็ไม่ลุนแลงมีการระมัดระวังรักษาเช่นอย่างไฟในเตา เราห่งต้มแกงใช้สอยแสงสว่างเช่นไฟฟ้าเป็นต้นอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าของไฟก็ให้ผลให้ประโยชน์ไม่เป็นโทษเป็นความพินาศทิพหายแก่ผู้ใดแต่ถ้าปล่อยให้มันลุกลามออกนอกเตาไปแล้วเลยความปลอดภัยไปแล้วมันก็สร้างโทษมหันตาโทษมาหันตภัย ให้ชิมหนา้าจิบหายไปโดยไม่มีกำหนดกฎเกณนี่ก็ฉันนั่นเหมือนกันราคะนี้ตันหานี้เหมือนกับไฟสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเหมือนกับเชื้อของไฟอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับราคาตันหาพี่น้องทั้งหลายก็ทราบด้วยกันแล้วหญิงกับชายนั่นแหละเป็นเชื้อไฟเผาไหม้กันได้สนิทไม่ต้องไปหาเรียนตามโรงเรียนโรงร่าโรงเรียนที่ไหน เหญยงกับชายเจอกันฉะนั้นเป็นแม่เหล็กดึงดูดกันแล้วโดยหลับธรรมาชาติเพราะฉะนั้นจึงต้องนำธรรมเข้ามาจิดกันบังคับเอาไว้ให้อยู่ในความพรอเหมาะพอดีพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงสอนให้บัณฑาราชญาโยมชาวพุทธทั้งหลายถอนกิเลสราคะตัณหานี้ออกโดยสิ้นเชิงแต่ท่านสอนให้อยู่ในขอบเขตที่จะเป็นความสุขความสงบร่มเย็ยนต่อกันเช่นระหว่างสามีภรรยา อยู่รักกันให้มีความรักความสนิทกันความไว้วางใจซึ่งกันและกันความฝากเป็นฝากตายต่อกันอย่านำเชื้อภายนอกเข้ามาเผาเชื้อภายนอกได้แก่หญิงกาฝากชายกาฝากที่แทรกเข้ามาในผู้หญิงในเมียก็ตามในผัวก็ตา ม, น, ตามนี่เรียกว่า นำฟืนไฟมาเผาบ้านเผาเรือนแล้วแล้วอกจะระเบิดด้วยกันได้ท่านั้นใจหญิงใจใชายเป็นใจเหมือนกันท่านจึงให้นำทำเข้าไประงับดับไว้ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีถ้าเรียกว่าการมาคุณคือกามเป็นคุณแก่ผู้ครอบครองเรือนด้วยความเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่อง ระงับดับมันอยู่เสมอเป็นเจ้าของดับฟืนดับไฟราคาตัว น, นี้อย่างให้รุนแรงนอกขอบเขตไปท่านเรียกว่ากามมาคุณคือกามเป็นคุณผัวเมียมีเพียงผัวเดียวมีเดียวเท่านั้นเรียกว่ากามมาคุณไม่เห็นหญิงอื่นใดหญิงใดชายใดที่ว่าเป็นคุณยิ่งกว่าเมียของเราผัวของเราเ่านั้นเป็นฟืนเป็นไฟทั้งนั้น ที่จะมาเผาไหมาอย่างนี้ปาดออกทันทีทันทีด้วยอำนาจแห่งธรรมกำจัดทันทีอย่างเข้มงวดขวดขันไม่สนิทติดจมกับหญิงใดชายใดยิ่งให้เลยจากผัวจากเมียผัวข้องตนเมียข้องตนไปต่อนั้นนี่เรียกว่าเป็นผู้มีธรรมเมื่อต่างคนต่างมีธรรมแล้วอย่างนี้ บ้านใดเมืองใดครอบครัวใดก็มีความสมงบร่มเย็นฝากเป็นฝากตายกันได้ไปทํางานในบ้านนอกบ้านสถานที่เช่นไรตายใจกันได้เลยสมบัติเงินทองเข้าของที่หามาได้จากสถานที่ต่างๆที่เราไปทํางานได้มาแล้วมาเฉลี่ยเผื่อแผ่ในครอบครัวย่อยเรือนเป็นเนื้อเป็นหนังอันเดียวกันดูกันด้วยความผาสุกร่มเย็น นี่คือผู้มีธรรมเป็นเครื่องกํากับรักษาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเน้นหนักเอามากในข้อนี้เพราะไฟอยู่จุดนี้มากที่สุดที่สร้างความชิบหายวายพวงเริ่มแากความเดือดร้อนเป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงความชิบหายออกจากราคาตันหานี่เป็นตัวสำคัญหนูนให้โลกไม่มีบางพอก็เพื่ออีหนูเพื่อไ อ, อหนูนั่นเองได้มาเท่าไรไม่พอไม่พอ นี่ละราคะตัดหาท่านจึงให้มีธรระงับดับมันไวให้อยู่ในความพอดีตามภาษาบาลีท่านว่าอปิชตาให้เป็นผู้มีความมาักน้อยนักยามากๆคำว่ามักน้อยคืออย่างไรมีผัวเดียวมีเดียวเท่า น, นั้นครองกันไปจนกระทั่งถึงวันตายหาความอิ่มพอไม่ได้มีแต่ความสงบร่มเย็น รักชอบฝากเป็นฝากตายต่อกันได้ตลอดไปเรียกว่าอภิชตามีผัวเดียวมีเดียวเท่านั้นมากกว่านั้นไม่ได้อันนี้เป็นไฟทันทีทันทีเราเป็นผู้ลูกชาวพูดขอให้พากันนําธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติรักษาในตัวของเราแต่ละคนละคนในผัวในเมียนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากผู้หญิงก็มีหัวใจผู้ชายมีหัวใจ ได้ผัวมาก็หวังความอบอุ่นฝากเป็นฝากตายกับผัวของตนทุกจริงทุกอย่างมอบพึ่งเป็นพึ่งตายด้วยกันได้หมดเป็นวัยวะเดียวกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตฝากเป็นฝากตายกันได้ครอบครัวนั้นเย็นผู้หญิงคนนั้นเย็นผู้ชายเมื่อได้ภรรยาที่ดีเหมือนกันจากที่กล่าวนี้แล้วก็ล่มเย็นอบอุ่นอบอุ่นทั้งผู้หญิงอบอุ่นทั้งผู้ชายคืออบอุ่นทั้งผัวทั้งเมีย <c oughs> ลูกเต่าล้านเหลนเกิดขึ้นมาถือพ่อถือแม่ซึ่งมีศีลมีธรรมเป็นขอบเขตอันดีงามนี่ไปปฏิบัติลูกหลานของใครก็ตามต่างคนต่างได้รับการอบรมถิงธรรมที่เป็นความดีงามมาโดยกันแล้วเด็กก็กลายเป็นเด็กดีขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วบ้านเมืองของเราก็มีแต่ครอบครัวญาเรือนที่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกํากับรักษาก็สงบร่มเย็นทั่วหน้ากันไปหมด <c oughs> นี่แหละคุณค่าแห่งความามีศีลธรรมทําโลกให้ให้ร่มเย็นประจักใจนี่ถ้าเราอยากเห็นชัดๆจะเอาที่ออกจากวันนี้ไปแล้วไปไปหาเกี้ยวอ่ากินหนูไปหาเกี้ยวไปหาเกี้ยวไอ้ไหนูที่เป็นยังไงเมียติด อยู่ข้างหลังนี่ไม่มองผัวแต่อยู่ข้างหลังนี่ไม่มองไปมองตั้งแต่อีหนูไอหนุ่มแล้วจะเป็นยังไงนี่แหละคือไฟเผาโลกกลับมาแล้วแตกก็จะกระจายกันเลยเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยที่ในครอบครัวนั้นไม่มีความหมายไฟนี่เผาหมดเลยเผาที่หัวใจของผัวของเมียนั่นแหละนี่แหละโทษแห่งความไม่มีธรรมขอให้พา น, นามัฐระวางรักษาเราเป็นชาวพุทธ ให้เน้นหนักต่อกิเลสตัวนี้ให้มากพระพุทธเจ้าท่านไปทรงสอนให้ละให้ถอนโดยสิ้นเชิงนะแล้วละไม่ได้ถอนไม่ได้ให้มีการรักษาหมันจะเป็นความสงบร่มเย็นตางที่กล่าวว่าเป็นการมาคุณครอบครองกันด้วยความเป็นสุขร่มเย็นนี้เรียกว่ากามาคุณการมโทษก็ดังที่กล่าวแล้วนี้ไฟนอกเตาเป็นการมโทษทั้งนั้นมาหันตโทษมหันต่ทุกข์เป็นเฟื่งไฟเผาไหม้ได้หมด ไม่มีอะไรเหลือได้เลยนะถ้าขาดศีลธรรมเวลา ร, รมพระพุทธเจ้าท <c oughs> ่านนำมาสั่งสอนชาวพุทธเราเราจะพอยึดได้ไหมพิจารณาสิให้ถามตัวเองช่างตัวเองถ้าเราอยากเป็นคนดีมีความสงบสุขระหว่างสามีภรรยาตลอดถึงสถ า, านที่ทั่วไปที่มีศีลธรรมประเภทนี้แล้วจะร่มเย็นเป็นสุกด้วยกันทั้งนั้นหละถ้ามีธรรมเข้ารักษา ถ้าไม่มีธรรมแล้วไม่มีโลกไหนที่จะเลวซามยิ่งกว่าโลกมนุษย์เรานะโสกโปกที่สุดคือโลกมนุษย์เราเนี่ยโสกโปกมากที่สุดเพราะนี่ตัวนี้มันฉลาดมากนะอกิเลสนี่แหลมคมมากประกอบกับนิสัยสันดานของมนุษย์ที่มีหัวสมองยิ่งกว่าสัตว์โดยแล้วมันยิ่งเฉลียวฉลาดแหลมคมมากในการที่จะสร้างฟืนสร้างไฟเผาตัวเองและเผาครอบครัวเจ้าเลือดตอลอดถึงสังคมทั่วไป กลายเป็นสังคมหมาไปเลย ห, หมายัางสู้ไม่ได้นะเอเพราะหมาเขาไม่มีความเฉลียวฉลาดสร้างความพิบหายได้มากยิ่งกว่ามนุษย์มนุษย์นี่สร้างความพิมหายได้มากเพราะอำนาจแห่งราคาตัญหานี่เป็นสําคัญเราอยากเป็นหมาไหมพิจารณาให้ถามตัวเองนะนี่แหละธรรมะของพระเจ้าเอาความจริงมาเทศนาว่าการธรรมะคือธรรมชาติที่สะอาดที่สุดคือธรรม พูดอย่างตรงไปตรงมาตามหลักความจริงคือธรรมเรื่องกิเลสนั้นตัวโสกรปรกที่สุดก็คือกิเลสแต่มันไม่ให้แตะมันนะเฮอมันให้ชมเชยยกยอมันนะเอ้ให้ยกยอตลอดเวลาจ้ ว, ว่ามันสกปลกไม่ได้ว่ากิเลสนี้เป็นตัวสะอาดมากใครว่าอย่างนั้นนะเออไอ้กิเลสมันชอบที่สุดก็คือว่า ได้มีอัหนึ่งมาแล้วไปหามาห้าเมียยิ่งดีนะนะกิเลสเห็นไหมมันพอไหมมันตําหนีตัวของมันเมื่อไหร่มีอันเดียวเท่านี้กบดันกันทั้งเช้าทั้งเย็นทันแล้บ่อยางเหมือนลิ้นกับฟันมันกระทบกันอยู่เรื่อยๆแล้วจะไปหาฟันหาลิ้นที่ไหนมากัดกันอีกให้แหลกเลวไปหมดแล้วกิเลสมันก็ไม่ให้เห็นภัยของมันตัวมันสกปรกตัวมันก่อขวนตัวมันก่อฟืนก่อไฟมากที่สุดคือกิเลส แต่ไม่พูดถึงมันนะต้องพูดว่ามันนี่จะเหลียวฉลาดพูดถึงมันว่าสอาดสะอ้านที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเออตกแต่งไปได้หมดสวยงามนะถ้ากิเลสพาตกแตง่งตกแต่งผมตกแต่งเล็บตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องนุ่งเครื่องหอมให้กิเลสตกแตง่งโอ้ยสวยงามมากนะเดินหยอกหยอยอกแล้วอยากให้เขามองดูด้วยนะคนนี้เขาแต่งตัวสวยงามมากนั่นคือกิเลสมันชอบอย่างนั้น ไปไปตำหนิมันไม่ได้นะนี่แกแต่งตัวมาขนาดนี้แกซื้อหมดเงินมาเท่าไหร่นี่สําหรับทําเข้าไปทักนะทำํำก็ไปทักว่านื้เครื่องแต่งตัวของแกมีขนาดนี้แล้วแกสิ้นเงินไปเท่าไหร่ซื้อเครื่องแต่งตัวมาแต่และเครื่องละเครื่องมาประดับประดาตกแต่งของตกกระปุกตามที่เลข น, นี้แกสิ้นเงินไปเท่าไหร่มันไม่ให้ถามนะนี่คือว่ ถ้าว่าสิ้นปัสสาวะก็ต้องบอกว่าสิ้นปนัสนาวะไว้ฉันอยากได้สูงกว่านี้อีกนั่นมันไปอย่างนั้นนะที่เหลือเสริมไปเรื่อยๆอย่างนีน่แหละตัวโสกะโปงที่สุดธรรมะจึงต้องชาร์ล้างสิ่งที่โสกะโปงธรรมะจึงไม่เป็นของโสกะโปงเป็นธรรมที่สะอาดมากชาร์ล้างสิ่งที่โสกะโปงคือธรรมสะอาดมากน่าเหมือนน้ําที่สะอาดชำระสิ่งที่โสกกะโปงโซมมทั้งหลายให้หมดให้เราทั้งหลายก็ให้พาการอนําธรรมะไปชาร์ล้าง ไม่ได้มากเพียงไรก็ตามขอให้ได้ในกรอบแห่งสีแ่งาำเฉพาะอย่างยิ่งคือราคะตัณหาย่าปลอยให้มันเหยียบย่ําทําลายหัวใจของเราจนไม่มีอย่างอายนะเออเวลาส่งเสริมไปมากนี้ไม่มีอย่างอายนะมนุษย์เรานะมันหมดอย่างอายกิเลสให้อายเออแต่ทําดูอยู่นั่นสิทำที่เลิศเลยยิ่งกว่ากิเลส ขนาดไหนมองดูกิเลสด้วยสายตาของธรรมแล้วมันดูไม่ได้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงท้อพระไถ่ในการแนะนําสั่งสอนสารโลกคืไม่ยอมฟังเลยอันไหนที่เป็นของดีของดีมันเห็นว่าเป็นของเลวไปหมดอันไหนที่เป็นของเลวมันเห็นว่าเป็นของดีไปหมดท่านนะของปลอมมันกําลังกลายเป็นของจริงขึ้นมาเวลานี้น่ะของจริงจะพูดอะไรไม่ได้แล้วจะมีแต่ของปลอมเต็มบ้านเต็มเมืองเช่นอย่าง การปฏิบัติธรรมปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรมอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญภาวนาได้สําเร็จเป็นสมาธิได้เป็นปัญญาได้องนั้นสําเร็จเป็นโสสดาสกิทาคาองนั้นเป็นภาณ า, าของนั้นไปหลานอย่างนี้ไม่ได้นะกิเลสหมอเลาะเยอะเ ย, ยอ้ยที่สุดเลยว่าพูดโกหกพูดหลอกลวงหาความจริงไม่ได้เนี่ยกิเลสมันสร้างความสกรปรบไปโปะทำความจริงให้กลายเป็นของไม่มีค่าไปหมด ถ้าพูดถึงว่ากิเลสดีเท่าไหร่นี่โหยมันฟังตลอดาบาปไม่มีนะบุญไม่มีนะนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนี่ผ่านไม่มีเปรตผีทั้งหลายไม่มีนะวางกิเลสมันชอบนะแล้วกระพากันสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าละมกที่จะเผาตัวเองทั้งเป็นนั่นแหละทีงหมดเวลาตายแล้วเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนมาตรัสรูสอนแบบเดียวกันนี้หมดเพราะสิ่งเหล่านี้เคยมีมาดั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนไหน ว่ า, วาบาปมีก็กระเทือนที่หัวใจของผู้ทําไม่มียังไงกระเทือนที่หัวใจตัวเองอยู่แล้วจึงได้กระทําบาปออกมา <c oughs> บุญไม่มีกระเทือนที่หัวใจคิดเป็นผู้คิดเรื่องบุญทําไมจะบุญไม่มีนีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีสร้างบุญสร้างบาปแล้วจะไม่ไปนรกไปสวรรค์จะไปที่ไหนเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นสําหรับพิเลศมันไม่ยอมฟังนะ เหล่านี้มันจะปฏิเสธให้หมดให้มีแต่ความอยากความทะเยอทะยานถึงไหนถึงกันขอให้ได้อย่างใจอย่างใจสุดท้ายมันก็ไม่ได้อย่างใจตายไปด้วยความจมปิงจมปิงด้วยกันทั้งนั้นให้เราดูบ้างเลเอาธรรมะไปธรรมะไปจับบ้างถ้าถ้าราอายรถก็ขอให้มีเบรคข้ามล้อบ้างอย่ามีตั้งแต่คันเร่งเยียบลงคลองจมไปเลยจมไปเลยท่ายเดียวใช้ไม่ได้นะ เราลูกชาวพุทธขอให้ทั้งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมท <c oughs> ้งที่จะอธิบายตรงนี้เราอธิบายในฐานะเป็นกันเองหลวงตานี้ก็เป็นหลวงตาบัว <c oughs> แต่ก่อนก็เป็นหนุ่มเป็นน้อยเหมือนพี่น้องทั้งหลายนั่นแหละอีกเมื่อคนนั้นเรียกหลวงตาบัวคนนี้เรียวหลวงตาบัวบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าหลวงตาบัวนี่ เ, เคยมีลูกมีเมีย ม, มาแล้วอะไรทํานองนี้ ความจริงหลวงตาไม่เคยมีครอบครัวเยื่อเหลือนบัวตั้งแต่ยังหนุ่มยังน้อยยี่สิบปีก็บวชจนกระทั่งบัดนี้จนกระทั่งมาถึงบัดนี้ก็ได้นำธรรมมาปฏิบัติธรรมมาให้เพียร แ, แจกจ่ายพี่น้องทั้งหลายการเสา ะ, ะแสวงหาธรรมเราแวสแวงหาอย่างเต็มเมตเต็มหน่วยเต็มสติกํลาลังความสามารถของเราหลังแต่วันเริ่มอุปสมบท การรักษาศีลก็ใหมีด่างพร้อยให้มีความอบอุ่นในศีลของตนจนก้าวขึ้นสู่บำทางด้านสมาธิสมาธิก็พอใจภูมิใจเห็นประจักษ์ในหัวใจของเราว่าจิตของเรามีความสงบแนบแน่นขนาดไหนสร้างความล่มเย็นให้แก่ตนมากน้อยเพียงไรจากสมาธินี้ต่างกัจบจิตที่สะกิเลศสร้างความยุ่งเหยิงุ่นวายความทุกนทุรอนเผาหัวใจมาด มากมายต่างกันขนาดหลายบ้างมันก็ได้วัดได้ตวงกันในเวลาที่จิตสงบเห็นกระจกักรเป็นลำดับลำดำับ <c oughs> นี่เรียกว่าสร้างที่พึ่งสร้างที่หัวใจของเรานี่เมื่อจิตมีความสงบเย็นคนเราย่อมไม่เดือดร้อนสบายมันสบายอยู่ที่ใจหนาะ ไม่ได้สบายอยู่ที่เงินทองเข้าของมีจำนวนล้านๆ้านล้านล้านตึกรามบ้านช่องมีกี่ร้อยกี่พันน้องเพื่อนหนักนะมันอยู่ที่หัวใจนะความสุขขอให้ปรับใจให้ดีสิ่งอนั้นเป็นสิ่งส่งเสริมถ้าเราฉลาดเราก็นำสิ่งเหล่านั้นมาทำประโยชน์ได้ก็พอเป็นสุขไปบ้างถ้าเราไม่ฉลาดสิ่งอนั้นก็กลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เราได้เพราะงั้นจึงต้องให้สร้างหลักใจให้ดี หลักใจเป็นของสาคัญหลักใจต้องสร้างด้วยธรรมที่พึ่งภายนอกได้แก่วัตถุเงินทองเข้าของบ้านเรือนอาหารการบริโภคเหล่านี้เป็นที่พึ่งของกายที่พึ่งของใจได้แก่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาสร้างคุณงามความดีให้แก่ใจวเวลาจะหลับจะนอนก็ให้พากการเลึกถึงพุทธโธธโมสังโฆ ภายในจิตใจนี้อยู่เสมอยาปล่อยยาละนี้คือหลักของใจโดยแทย้ฝากเป็นฝากตาได้กับทำประเภทนี้โดยแทย้ส่วนภายนอกซึ่งเป็นที่พึ่งของกายนั้นเวลาเราตายแล้วเขาก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะเราหมดความหมายไปแล้วเงินทองเขาของมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็เป็นแร่ธาตุต่างๆเป็นกระดาษเต็มห้องเต็มหับอยู่เพียงเท่านั้นไม่สามารถที่จะ หนุนเราให้ไปสู่สวรรค์นิพพานได้ถ้าเราไม่นําสิ่งเหล่านั้นมาทําประโยชน์คือการทําบุญให้ฐานอันนั้นก็กลายเป็นความดีต่อเราไปได้กลายเป็นสณะของใจเป็นที่พึ่งของใจได้นี่ละ่ะขอให้พากันแยกกันแยกการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธเราย่าปล่อยยาวางเกินเหตุเกินผลนะเวลานี้ต่อยกันมากทีเดียวจนหน้าวิตกวิจารณนะ์น่ะหลวงตายเองนี่ก็ แต่ก่อนก็ไม่เคยได้คิดไม่เคยได้เป็นในเรื่องเหล่านี้นะทั้งๆ ท, ที่คุกเข้ากันมากี่กับกี่กันกับที่เลตันหาอาสวะที่มันสร้างฟืนสร้างไฟเผาหัวใจของเรามากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันมาจนกระทั่งถึงชาติปัจจุบันในได้ออกบวชหาฟังให้ดีนะ <c oughs> พอได้ออกบวชแล้วก็มาปฏิบัติเสาะแสวงหาธรรมมีนิสัยชอบ ชอบปฏิบัติภาวนากรรมฐานมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานเังได้เป็นหาที่ลงใจไม่ได้ก็วิ่งเข้าไปหาหลวงปู่มั่นท่านเ <c oughs> มื่อเข้าไปถึงท่านแล้วท่านก็ชี้แจงเหตุผลถึงเรื่องมรรคผลนิพพานให้ประจักษ์ในใจให้บำเพ็ญจิตให้เข้าสู่ความสงบ ท่านจะเห็นที่พึ่งเป็นลำดับลำดาบเข้ากับจิตใจที่มีความสอบรมเย็นตลอดถึงแสดงถึงมรรคผลนิพพานอย่างอาถร า, านชานชัยไม่มีสตกสถานมุ่งความเมตตาอย่างยิ่งต่อหัวใจเราที่มุ่งทำต่อท่านเมื่อได้ฟังถึงใจแล้วก็ออกปฏิบัติเต็มเนี่ยวไม่มีคำว่าย่อย่อนอ่อนข้อเป็นก็เป็นตายก็ตาย สละชีวิตเพื่อบำเพ็ญธรรมกำจัดกิเลสซึ่งเป็นตัวสำคัญให้พาเกิดพาตายพาความทุกข์เดินรับความทุกข์ของเรบบาบะมากี่กัดอยู่กันนี้ให้ขาดจะบ้านลงจากใจให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ถึงขั้นพระหานเท่านั้นอย่างอื่นไม่ออกนี่เป็นความมุ่งมั่นที่ลหลังจากได้ฟัง หลวงปู่มั่นแสดงธรรมให้ฟังอย่างถึงใจแล้วความเชื่อในมรรคผลนิพพานนี้ก็ถึงใจเมื่อได้ถึงใจแล้วการปฏิบัติความภาคความเพียรก็เอาอย่างถึงใจสมาธิไม่เคยปรากฏความสงบเบย็นใจความสง่ผ่าเผยของใจไม่เคยปรากฏเริ่มปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาความฟุ้งซ่านวุ่นวายแสแสดีดดิ้นเป็นบ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืน เพราะไฟกิเลสเป็นไฟนระกเผาคนทั้งเป็นมั่นเผาตลอดเวลาคิดเมื่อได้รับความสงบแล้วระงับสิ่งเหล่านี้ลงไปได้ก็เห็นภัยสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นฝืนเป็นไฟคือความฟุ้งซ่านคิตเมื่อมีความสงบแล้วย่อมเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านวุ่นวายของตัวเอง <c oughs> <c oughs> ก็เร่งขึ้นไปโดยลําดับลําดับสมาธิเต็มภูมิอยู่ที่ไหนอยู่ได้ นั่งอยู่นี้ทั้งวันก็นั่งได้สบายอยู่ที่ไหนอยู่ได้สบายจิตใจไม่เคยยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อนเลมีกต่ความสว่างกระจ่างแจ้งตามภูมิแห่งสมาธิของตนที่ได้ครองอยู่เวลานั้นและมีความสงบเย็นอยู่ในป่าในเขาลำนาวไพรที่ไหนอยู่ได้อดอยู่ได้อิ่มอยู่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ได้เมื่อใจอิ่มด้วยอิจโดยอด้วยทำตามภูมิของตนแล้วอยู่สบายสบาย หลังจากนั้นก็ก้าวขึ้นสู่ทางด้านภาวนาปัญญาปัญญาซะก่อนที่เรียนในหนังสือนี่เราก็พูดตรงกองหนาะเราเป็นผู้ผ่านมาเสียเองเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่มีอะไรนะเราเอาตัวของเราออกยันเลยเรียนจนกระทั่งเป็นมหาความสงสัยเต็มหัวใจว่าบาปสงสัยบาปว่าบุญสงสัยบุญเรียนไปถึงนรกสงสัยนรกเรียนถึงสวรรค์สงสัยสวรรค์ เรียนถึงเปรตถึงผีสงสัยเปรตผีมีมากมีน้อยที่ท่านแสดงไว้ในตำราสงสัยไปหมดจนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปสงสัยนิพพานไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวไม่มีที่เกาะที่ยึดจากการศึกษาศึกษาเรื่อเรียนนั้นมาเลยมิได้ความจำกับความสงสัยเต็มหัวใจนี่เรื่องมันเห็นไดชัดอย่างนี้จะว่าเป็นหนอนแทกกระดาษก็ไม่ผิดแต่ เ, เราเป็นหนอนแทกกระดาษ เพราะอา่านบทเรียนไปสท่าไมันก็มีแต่ความจำถ้าพูดถึงว่าสมาธิก็มีในตำรามีเป็นกระดาษไปเสียสมาธิแท้ที่จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี้เราไม่สนใจทําสมาธิมันก็ไม่เกิดแต น, นี้เวลาหมุนเข้ามาทางนี้ <c oughs> สมาธิปรากฏขึ้นนี่คือความจริงจากภาคปฏิบัติได้ปรากฏขึ้นแล้วสมาธิเกิดขึ้นแล้วหนุนทางด้านปัญญาพิจารณาแยกขายออกเป็นลําดับ กิเลสตัณหาอาสวะดังที่กล่าวมาเหล่านี้นะความโลภความโกรธราคาตัณหานี่เป็นตัวที่รุนแรงมากที่สุดมันก็ฟัดกันภายในหัวใจนั้นเอไม่มีกิเลสตัวใดขอเปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเท่าที่ได้ผ่านบนเวทีมาแล้วจึงได้นํามาพูดให้พี่น้องหลายจากหลังที่ได้ชัยชนะมาแล้วด้วยความเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายสู้กันไม่มีกิเลสตัวใดที่จะ หนาแน่นมั่นคงที่จะแก้ยากเหนียวที่สุดคือยิ่งกว่าราคาตันหาตัวนี้หนักแน่นมากฉลาดแหลมคมมากอ้อยอิงมากอยากละมันอันหนึ่งไม่อยากละอยากถอนอันหนึ่งไม่อยากถอนอันหนึ่งเสียดายมันขัดมันแย้งกันตลอดแต่เพราะอำนาจแห่งความมุ่งหมายนะนนิพานมีมากและปัญญาก็สอดแทรกเข้าไปเห็นโทษก็มันเป็นลาดับลาดับขยายออก ือกิเลสมีราคะตันหาเป็นต้นค่อยๆขยายออกจากใจขยายออกจากใจธรรมคือปัญญาแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปโน้นกันเข้าไปขาดสะบั้นลงไปดมดับลำดาจอยกระทั่งถึงกิเลสประเภทนี้ที่มันยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกมันทับหัวใจของเราสร้างมหันตจะทุกข์ให้เรามานานเท่าไหร่ได้ขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจเห็นได้อย่างชัดเจนอ๋อตัวนี้เหลือตัวที่สร้างทุกข์ สร้างความระบาดถึงโลกธาตุวันไหวไม่มีอะไรหนักยิ่งกว่ากิเลตตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวออกสนามลบ <c oughs> อวิชชาปฏิยาสังฆาลาที่ท่านกล่าวไว้นั้นเป็นเหมือนกษัตริย์อยู่ในพระราชวางังตัวที่ออกสนามลบต่อสู้สงครามก่อกวาประชาชนสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุให้เป็นเฟื่นเป็นไฟเผาไหม้ไปตา่ตางๆกันหมดคือตัวราคานี้เป็นหลักฐานสาคัญมากทีเดียวมันก็เห็นได้ชัด พ อ, อนี้ขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วไม่เห็นมีอะไรอเรื่องราวที่โผล่โหดรรมาพาในจิตใจของเราเหมือนหนึ่งว่าฟ้าดินถลม่มใจของเราจะขาดสะบั้นไปทั้งเป็นทั้งเป็นเพราะไฟราคะตัณหาเผามันก็ขาดไปหมดไม่มีอะไรมาเผาหัวใจเลยเรื่องราวเหล่านี้หายไปหมดวราหนึ่งว่าโลกธาตุนี่ไม่มีหรือจะพูดอีก เป็นสับย่อยๆเขาไปอีกว่าเหมือนเป็นพระรหารน้อยองค์หนึ่ง น, นี่แหละอํานาจในความรุนแรงของราคาตันามันขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นมันถึงกล่อมโลกให้สนิทยิ่งโลกมีความสนใจไฟต่อการส่งเสริมมันด้วยแล้วก็จะเป็นฟืนเป็นไฟเหาเะเผาไหม้ไปกีดกัดยกันไม่มีสิ้นสนะุดนาขอพี่น้องทั้งหลายราทราบกิเลสตัวนี้ไม่เคยสร้างความร่มเย็นไปอยู่ให้แก่ผู้ใดมีมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งสร้างฟืนสร้างไฟให้เต็ม หวอทุกคนทุกคนไม่มีทีวท่ว่ากิเลสตัวนี้จะพาสร้างความร่มเยืนไปสู่ให้แก่หัวใจของผู้ชอบมันยิ่งตามมันนอกจากจะหักข้ามมันให้อยู่ในความพอดีเช่นอย่างเราเป็นคารวาประชาชนญาติโยมนี้ขอให้มีขอบเขตเอาหัวเอาเมียเป็นเครื่องประกันชีวิตของเราอย่าเอาคนอื่นอย่าเอายิงอื่นอย่าเอาชายอื่นเข้ามาเป็นเครื่องประกันมันจะมาตัดคอเราให้ขาดตะบ้านลงไปไหนะ <c oughs> เอาตัวนี่สําคัญมากล้าไม่ได้ขอให้ให้ได้ตรงนี้เอาเด็ดออกขาด <c oughs> ให้ฝากเป็นฝากตายต่อกันพี่น้องตระหลายจะมีความร่มเย็นเป็นจุขในครอบครัวหนึ่งๆความทุกคาเจ น, นเจนจนมีอยู่ต่อไปแต่จะได้สร้างกองทุกเพราะราคาตันหาไม่พอนี่เผา ห, หัวอกกันก็แล้วกันนะนี่แหละ <c oughs> พูดถึงเรื่องที่ว่ามันรุนแรงที่สุดไม่มีกิเลสตัวใดนะรุนแรงยิ่งกว่าตัวราคาตันหาได้ขึ้นกันบนเวทีแล้วมันถึงรู้กดเรา ไอ้เพียงเรียนเฉยๆอ่านมาเฉยๆจำในตำรับตำราไม่เฉยมันก็ไม่ผิดอะไรกำหนอดแทกกระดาษว่า <c oughs> เป็นอ า, า, าหาดหัลตนก็ว่าอยู่ในกระดาษตัวเราเป็นกิเลสเต็มตัวว่าราคากิเลสเต็มหัวใจเราในตัวหนังสือท่านก็มีแต่ชื่อเนียว่าสวรรค์ว่านิพพานว่าอ า, า, าหาดหลานว่ากิเลสต่งางๆเป็นต่างๆมีอยู่ในหนังสือแต่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคุนิพาน ตัวกิเลสตัวมาผลิพานมันจริงๆมันอยู่ที่หัวใจท่านก็ชี้ก็มาที่หัวใจนี้บรรดาปริยัติที่ท่านสอนไว้หมุนเข้ามาสู่หัวใจเป็นภาคปฏิบัติจิตไม่เคยสงบก็สงบขึ้นมาดังที่กล่าวนี้นี่ภาคปฏิบัติจอสติปัญญาเข้าสู่นี้ชำระจิตใจของเราด้วยสมาธิภาวนาเรื่อยๆและปัญญาก็ค่อยปรากฏตัวขึ้นมาปัญญาปรากฏตัวขึ้นมาถึงขั้นปัญญาที่จะผ่านโผโจนทยา ปัญญาขั้นค่าราคาตัสหานี้เป็นปัญญาที่ฟ้าดินถล่ม <c oughs> ไม่ใช่ปัญญาธรรมดานะนี่ได้ขึ้นบนเวทีแล้วขอพี่น้องทั้งหลายได้ฟังว่า น, นี่มาเปิดอกฮะของผลแห่งการปฏิบัติศาสนาว่าศาสนาพุทเจ้าเป็นโมคาหรือมิตรติเลตมันหลอกลวงว่าศาสนาเป็นโมคะจริงตกิเลตนั่หนหรอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบในผลต้องการปฏิบัติเราได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ ขึ้นเวทีฟัดกจปริเรศไม่มีกิเลสตัวใดในสามเดนโลกธาตุจะแน่นหนามันคงและเฉลียวฉลาดแก้ยากที่สุดยิ่งกว่าราคาตันหาโหตัวนี้แก้ยากมากฟัดกันจงกระทั่งอดข้าวอดน้ํานะถ้าฉันจังหันลงไปที่มันมีกําลังราคะตันหามันจะดิดจะดิ้นภายในใจจากนั้นกําลังวังชาทางล่านร่างกายมันก็ทางร่างกายก็เสริมราคาตันหาให้รุนแรงขึ้น เพราะฉะนั้นจึงต้องได้อดอาหารพอนอาหารลงไปอดอาหารลงไ ป, ออาางไปข้ามเพียนแก่กล้าสามารถต่โดยลำดับไม่ถอยก็เห็นผลกันว่าการอดอาหารนี่ผ่อนคลายเรื่องราคาตันหาลงได้มากเดีมากยิ่งพี่มาภาวนา ด, ดีเข้าไปโดยลำดับอดอาหารจนถึงวันมันจะเป็นจะตายจริงมันหิวมันโหยจะก้าวไปบินสบาดไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันก็มีนี่ได้ทําแล้วพี่น้องไหนให้ฟังนะไม่ได้มาโกหกพี่น้องทั้งหลายนะ มีฟังพูดด้วยความเมตตาให้พี่น้องหลายได้เห็นผลของศาสนาว่าปฏิบัติมาเป็นผลที่ไม่เป็นผลกิเลสมันสร้างผลเรื่องความทุกข์ให้พวกเราทั้งหลายได้สร้างมามากแล้วพากันไม่ได้ก็ไม่ได้พากันสนใจถ้าพูดถึงเรื่องทำก็ปัดทิ้งปัดทิ้งวันนี้เปิดทำให้พี่น้องทั้งหลายได้สร้างเที่ยงโทษแห่งราคาตันหานี่มันรุนแรงมากขนาดนี้นะเอาจนกระทั่งถึงเวลาสติปัญญามีกําลังมากนี่ผาดโขโจรทยานแก้กิเลสตัวราคาตันหานี่เป็น เรียกว่าเป็นปัญญาที่ผาดโผโจตุยานมากบางทีกายไหวก็มีเพราะมันทํางานอยู่ภายในใจทัดกิเลตหน้าคะตัณหามันก็รุนแรงของมันสติปัญญาที่จะแก้ฟัดกันก็รุนแรงจนกระทั่งถึงกายไหวก็มีพออันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วนี่โลกบ้านนี่เหมือนบ้านร้างนะทั้งๆ ท, ที่มีคนอยู่นั่นแหละเหมือนบ้านร้างไม่มีใครก่อขบวนไม่มี นักเลงโตอันตะพานคือตัวราคะตัณหานี่เป็นนักเลนโตเป็นตัวอันตะพานอารวาสทั่วบ้านทั่วเมือง ท, ววทั่วโลกทั่วโลกสารคือกิเลสตัณหาตัวนี้พอตัวนี้ขาดสะบั้นออกจากใจแล้วหายเงียบไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยประหนึ่งว่าเป็นพระอรหันต์เน้อยขึ้นมาทั้งๆ้งที่ก็รู้อยู่ว่ายังไม่สิน้นกิเลสแต่เพราะว่ากิเลสตัวนี้มันบุญแรงมากเมื่อมัน บรรลัยลงไปเอาว่าบรรลัยนี่เลยให้เต็มหัวใจที่มันรู้มันเห็นมันละได้อย่างนั้นนี่บัรรลัยลงไปทั้งนั้นโลกนี่เหมือนบ้านบ้านร้างเมืองรางทั้งๆที่มีคนอยู่แต่ไม่มีอันธพานนักเลงโตคือราคะตัาหาตัวนี้มันอันตราราานมันม้วนเสื่อลงไปแล้วจากนั้นก็ก้าวขึ้นจูติธรรมอันละเอียดเป็นลําดับลําดาไปทีนี้ก้าวทําขั้นขั้นนี้ขั้นต่อไปนี้เป็นเป็นขั้นที่ อัตโนมัติคือหมุนตัวไปเองขั้นที่รุนแรงที่สุดคือกามราคะราคะตัณหานี้เป็นขั้นที่ฟาดกันอย่างเอาเป็นเอาตายพอขั้นนี้ <c oughs> ขาดจะบัน้นลงไปแล้วขั้นปัญญาภาวนามายปัญญาปเป็นขั้นอัตโนมัติสติปัญญาทํางานไปเองไม่ต้องบอกว่าเรื่องความผ่าความเปลี่ยนอย่างนั้นอย่นี้ไม่มี ความขี้เกียจขี้แค้นท้อแท้วเดาหายหน้าไปหมดให้ประจักษ์ว่านี้เหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นพอถึงขั้นนี้แล้วมันจะหมุนตัวไปเองเพราะฉะนั้นพระอนาคามีที่ท่านไ ด, ด้สาเร็จ <c oughs> เป็นพระอนาคามีแล้วท่านจึงไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกมันเห็นชัดๆในหัวใจของเรานที่ตัวกิเลสตัวราคะตัณหานี่เท่านั้นเป็นเครื่องดึงดูด เป็นเครื่องบีบบังคับให้ตายจมอยู่ในโลกทานนี้ไม่อยู่ไม่ถอยกีกับกีกันคือตัวนี้เท่านั้นวางั้นเลยพอตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วจิตหมุนตัวไปเองเหมือนสำลีหมุนขึ้นกลางบนเรื่อยๆไม่มีคําว่าลงเพราะไม่มีเครื่องดึงดูดตัวนี้เองเป็นตัวดึงดูดพอตัวนี้หมุนหมอดออกไปแล้วจิตหมุนขึ้นไปเองนั่นละถนัดพระนาคามีท่านไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพื่อที่กลับมาเกิดอีกก็คือตัวนี้เองเป็นตัวล่กตัว เขียนตัวดึงดูดลงมาให้เกิดพอนี้ดับลงไปแล้วจิตของท่านละเอียดละ อ, อ่ไปโดยลำดับเป็นเหมือนสํำลีหมูนตัวเองเพื่อมรักผลนี่ผ่านท่านสูงเป็นลำดับลำดาไปเ <c oughs> พราะฉะนั้นท่านจึงพระอนาคามีท่านจึงมีระดับชั้นที่ท่านเกิดไว้ห้าชั้นทูดสอบพูดได้อนาคาเมีระดับแรกแล้วได้ ตายแล้วไปเกิดชั้นอวิหาแล้วอัตตาชุทัสสาชุทัสศีนี่สี่ชั้นแล้วนะเนี่ยเป็นชั้นของพระนาคามีทั้งนั้นพอขั้นที่ห้าเรียกว่าอคติฐานี่เป็นขั้นสุดยอดของพระนาคาพอผ่านนี่ปั๊เท่านั้นก็ถึงนี่ผ่านไปนี่ผ่านไง้รโดยไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องดึงดูด ให้ท่านอ่อนตัวลงไปไม่ตะมูนไปข้างหน้าเรื่อยโดยอัต โ, ตโนมัติ <c oughs> นี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิบัติมาอย่างนี้เป็นเวลาเก้าปีเต็มตั้งแต่ได้ฟัดกับกิเลสเฉพาะอย่างยิ่งตัวราคาตัญหานี้ลุ่นแรงเอาเป็นปตายเข้าว่าเลยที่ไม่มีหยุดมีหย่อนเอาชีวิตเขาแลกเลยก็เป็นเวลาเก้าปีอยู่ในป่าในเขาไม่ได้ออกมาตามบ้านตามเรือนตาม น อ, นอกๆไปอยู่ในจังหวัดไหนก็ถือเขตจังหวัดนั่นเท่านั้นความจริงแท้แล้วคืออยู่ในป่าในเขาตามธรรมเงาป่าฟาดกับกิเลสไม่มีท้อมีถอยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเอาตั้งแต่ขั้นกิเลสตัวราคาตันหาขาดะบันลงไปแล้วก็ปิดก็หมุนตัวไปเองไปเองด้เลือกๆจนกระทั่งถึงบิมุตหลุดพ้น เลยอคติฐานท่านท่าน พ, านพระอนาคามีสุดยอดไปเสียเป็นนิพพานสดสดร้อนๆในหัวใจจะขอะเรทุกประเภทขาดสะบัดลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มใจอวิชชาตัวสำคัญที่เป็นวัตตะจักรครอบงำหัวใจ ได้ขาดสะบั้นลงไป <c oughs> เพียงเท่านั้นวันหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มในหัวใจเรานั่นละธรรมะจึงในจ้าขึ้นในขณนะนั้นไม่ทูลถามพระพุทธเจา้ามีแต่ลํำพึงในใจด้วยความตื่นเต้นในขณะที่ปรากฏขึ้นแถกด้วยความตื่นเต้นอะไรพูดไม่ถูกนะเพราะขันมันแสดงตัว สำหรับบิมุตดหลุดพ้นนั้นไม่แสดงอะไรแล้วความไม่สุดนั้นไม่แสดงอะไรแต่ธาตุขันที่มันเป็นสมมติอยู่นี้มันรู้สึกมีความตื่นเต้นมีทุกสิ่นทุกอย่างขยะอย่างว่าน้ําตาล่วงเหมือนกันนี่คือเรื่องของขันกระเพื่อ <c oughs> พอได้อภิชาขาดสะบั้นลงจากใจเห็นประจักษ์อือ แล้วจิต ด, ดิดผึงออกจากอาวิชชาเป็นวิชชาวิมุตต์หลุดพ้นประจักใจในเวลานั้นแล้วอุทานขึ้นมาโด <c oughs> ยไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าโอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เหรอท่านพระอรหันต์ท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามพระองค์นี้ มารวมเป็นทำแท่งเดียวกันได้อย่างไรมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรก็มันประจักษ์อย่างนั้นแต่ก่อนเราเคย เ, ยเลือกอยู่เสมอว่าพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นประจำใจฝังนิสัยไม่เคยคิดสรุดใจเลยแต่เวลาจิตได้ถึงข้นมีมุดหลุดพ้นในขนาะนั้นทำทั้งหลายกลายเป็นอันเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าทุกพุกอ ง, องพระสงฆ์ทุกทุกอ ง, องเป็นแม่น้ำมหา มุดมหานิพพานไปเป็นันเดียวกันหมดเลยหายสงสัยตั้งแต่บัดนั้นมาเป็นเวลาสักกีปี <c oughs> นี่ปีนี้เป็นปีเปิดหัวอกให้พี่น้องตลาดได้ทราบเพราะเป็นผู้นำในการช่วยชาจึงได้มาเปิดหอกแต่ก่อนไม่เคยปี2541กับ42นี้จึงเป็นปีที่เปิดอก ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในธรรมที่ได้ปฏิบัติมาผลเป็นอย่างไรบ้างได้มาเปิดในสองปีนี้ <c oughs> แต่ก่อนไม่เคยเปิดและเปิดจนกระทั่งถึงสถานที่เว ล, เวลาสถานที่คือบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครเวลาเวลาห้าทุ่มพอดี วันที่ห้าเอาวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองันสกาสิบสามวันนั้นเป็นวันที่เผาศพกิเลสในหัวใจขาดสะบั้นวงจับใจเป็นใจพิบริสุท์พุทธโธสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุมาตั้งแต่บัตรนั้นจนกระทั่งบัตรนี้แต่ไม่เคยพูดให้ผู้ใดฟัง การแนะนําสั่งสอนโลกเราสั่งสอนเต็มสติกําลังความสามารถในภูมิของผู้มาศึกษา <c oughs> แต่เราไม่เคยบอกว่าเราได้รู้อย่างนั้นเราได้เห็นอย่างนี้จนกระทั่งถึงมาปีจะเป็นผู้นําของพี่น้องทั้งหลายนี้ว่าเป็นผู้นําเป็นคนประเภทใดจ <c oughs> ึงแนะนําภูมิหลังตนออกมาประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบก่อนที่จะเป็นผู้นําเนี่อเรื่องราวก็เป็นมาอย่างนี้ ทำพระพุทธเจ้าได้เปิดเผยก็จึงหัวใจเราไม่เคยโลภทานกับสิ่งใดตั้งแต่ขณะที่ทำวันนี้ได้ปรากฏขึ้นที่ใจเท่านั้นกระจ่างแจ้งไปหมดไม่มีสิ่งใดสงสัยในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่เคยกลัวไม่เคยกล้ากับสิ่งใดปแปนธรรมล้วนภายในหัวใจ <c oughs> จึงได้กล้านำธรรมนี้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ เพราะเป็นชาวพูท ด, ด้วยกันหรือจะเห็นไปว่าคำเหล่านี้เป็นโมคะไปแล้วหรือพระพุทธเจ้าเป็นโมคฆะหรือทำเป็นโมคฆะแล้วหรือมรรคผลนิพพานเป็นโมคะไปหมดแล้วหรือว่างเปล่าจากผลจากประโยชน์ไปแล้วหรือแล้วผู้มาแสดงนี้จึงแสดงเป็นโมฆะไปทั้งนั้นสิ่งที่จริงที่จังคือความโลภราคะตัณหานี่หรือเป็นของจริงของจังของพี่น้องชาวพูทเรา จึงได้พากันพัวพันวุ่นวายไม่สนใจกับบารกับธรรมซึ่งเป็นเครื่องลากถอนจนเดินออกจากกองทุกข์ที่กิเลสหลอกหลวงนี่บ้างเลยเป็นผ้าอะไร <c oughs> ให้นำไปปฏิบัตินำไปวิณิพิจารณากันม า, าศาสนาของพระุเจ้านี้ไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่า น, นี้แล้วใครเกิดมาไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้นับถือพุทธศาสนา <c oughs> เกิดมาในพุทธศาสนาเรียกว่าอาภัพที่สุดแล้ว นี่เราได้เกิดมาพบะศาสนาแล้วยังเป็นผู้มีความเลื่อมใสค่ายต่อต่อธรรมค่ายต่อการบําเพ็ญกุณณาควอมดีทานศีลภาวนานี่สมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวปุถุมีวาสนาจึงจะได้พบศาสนาของมรู้เจ้าของเหล่านี้ไม่งั้นตายปเปล่าๆนะให้กิเลสเอาไปถลุงหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยนะถลุงอยู่ตลอดเวลาเพราะความเชื่อกพื่ออะไรจมไปเรื่อยๆ อ, อย่างนั้น ถ้าเชื่อทำแล้วไม่จมนี่เราก็ได้ประกาศตนพี่น้องทางลายทราบแล้วตั้งแต่บำเพ็ญสมาธิมาจิตมีหลักมีฐานมีความสมงบร่มเย็นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าจะพึ่งอะไรเราไม่จิจเราพอทุกอย่างไม่พึ่งอะไรไม่เกาะอะไรอมหมดสนัดปัดทิ้งทั้งหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ ไม่มีอะไรติดหัวใจเลยไม่มีแต่คำว่าพออย่างเดียวนิพพานแปลว่าพอออืจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วคือเมืองพออยู่ตรงนั้นนี่แหละผลของการปฏิบัติศาสนาใครตั้งใจปฏิบัติเอาปฏิบัติไปพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระุทธเจ้าโมคาอย่างนี้นะมันจะเป็นของจริงัแต่กิเลตนั่นหรืเหอเอาจริงเอาจริงนะให้ต่างๆคนไปปฏิบัตินะ ให้รู้เนื้อรู้ตัวนาะยปรับปรุงตัวเชียใหม่นะถ้าทำบุยเจ้าฉุดลากพี่น้องชาวไทยของเราเนี่ขึ้นจากหล่มลึกมาได้เท่าที่ควรแล้วก็แสดงว่าเรานี่อาภพวาสนาจะจมไปอีกกี่กับอีกกันนะนำ้ำไม่ท่วนนะกิเลสหลอกคนเนี่จะหลอกไปเรื่อยดังที่เคยหลอกมาแล้วนี่ยังจะหลอกมากยิ่งกว่านี้ไปอีกถ้าเราหลงมากกว่มันจมไปตลอดจมไปตลอดไม่มีวันฟื้นได้ พากันตั้งอกตั้งใจใช่ตั้งแต่บัดนี้ <c oughs> วันนี้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังด้วยความเป็นกันเองทั้งฝ่ายพระด้วยพ้าก็หวังว่าจะได้เป็นัติเครื่องเตือนใจตนเองในการแสดงนี้แสดงให้ฟังทั้งสองภาคคือทั้งฝ่ายพระด้วยประชาชนด้วยในนำไปปฏิบัติตามขั้นภูมิของตนผลจะประโยชน์จะพึงเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกัน การแสดงทำวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเจตเวลา <c oughs> แล้วหากว่าผิดทาาประการใดตามความประสงค์ของท่านว่าไม่ถูกต้องดีงามอะไรก็ขออาภัยด้วยแต่การแสดงธรรมทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นธรรมะขั้นใดเรายืนยันรับรองร้อยเปเซ็นแล้วว่าไม่ผิดมาแสดงพี่น้องทั้งหลายฟังเริ่มต้นตั้งแต่ว่าบาปมีแล้วยอมรับพระพุทธเจ้าเต็มหัวใจ บุญมีเรายอมรับพระพุทธเจ้าเต็มหัวใจนรกมีเรายอมรับพระพุทธเจ้าเต็มหัวใจสวรรค์มีสวรรค์กี่ชั้นมีเรายอมรับพระพุทธเจ้ากราบท่านอย่างละนิพพานมีเรายอมรับกราบล่ามเพราะในหัวใจของเราเป็นนิพพานสุดแล้วแล้วเราสลดสุดแล้ ว, แ ล, วนนแล้วจะไปสงสัยพระเจ้าที่ตรงไหนนี่จะเราเรากราบราบทีเดียวนี่แหละ ทำที่เรานาปฏิบัตินี้มาสอนพี่น้องตลานี่มาเปิดให้พี่น้องตลาดทราบไม่ได้มาโอ้มาอวดเราไม่ได้หวังอะไรในโลกนี้แม้แต่การช่วยบ้านช่วยเมืองเวลานี้เราก็ไม่มีอะไรที่จะแบ่งสรรปันส่วนเอากับพี่น้องชาวไทยที่เรากําลังพาพี่น้องชาวไทยอุ้มชาติไทยของเราอยู่เวลานี้เรามีหวังอย่างเดียวด้วยความเมตตาล้วนที่จะพาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้อุ้มชาติไทยของเราขึ้นจําเป็นจึงต้องได้เปิดภูมิหลังออกมาให้ฟัง <c oughs> ว่าผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเป็นพระประเภทใดเป็นพระประเภทหัวชนฝาออกมาหรือหรือเป็นพระประเภทใดเชื่อได้อ่านปูมหลังพี่น้องหลายทราบเราฟิตตัวของเราฆ่ากิเลสในหัวใจของเราจนหัวใจขาดดิน้นถ้ากิเลสไม่ตายป่านนี้หลงบบวงตบัวตายไปแล้วหนักเพราะเหตุไรสู้กันไม่ถอยฝ่ายหนึ่งไม่ตายฝ่ายหนึ่งต้องตายนี่กิเลสมันตายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขียนใบาตายให้จิเลสไม่ทันเวลาห้าทุ่มบนวัดดอยธรรมเจียดีวันที่ส5พหพฤษภาคมสองพันสี่รอยกสามนั่นละเป็นวันเขียนใบาตายอย่างคลิปหายไปเลย <c oughs> ของกิเลสจะไม่กลับมาฟื้นในหัวใจของเราอีกแล้วดังที่บุญเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีทั้งห้าว่างานนั้นจะปนังรัศดรแสงอุดปาดี <c oughs> งานความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา นี่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเราไม่สงสัยพระอาวาสอันนี้เราบรรจุไว้เต็มหัวใจแล้วอกุปาเมวิบุติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกําเริบแล้วเราก็ได้หลุดพ้นแล้วไม่สงสัยทางไหนจะมากําเริบอีกอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราก็ไม่สงสัยเราเต็มหัวใจแล้วว่าเป็นชาติสุดท้ายของเราเช่นเดียวกันอายมะ นาทีดานี้ปุณภพวโรตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดตายเกิดตาอีกแล้วนี่เราก็ไม่สงสัยเราแน่แล้วตั้งแต่ที่เลดตัวพาให้เกิดในตาขาดสะบั้นลงจากใจเราจึงแน่ในเรื่องนี้ล้านเปอร์เซนต์ว่าเราจะไม่กลับมาเกิดอยู่แล้วในชาตินีต่อไปนี้เ <c oughs> นี่ยที่เดินมานำทำคี่น้องทั้งหลายทราบเปิดภู้มหลังมาให้ฟังว่าผู้นําคุณน้องทั้งหลาย นำด้วยวิธีการใดหรือนำแบบเจาะๆแยกๆนำแบบเพื่อโลกามิหรือหวังสินจ้างรางวัลหรือหวังความชมเชยฉันรสนเราไม่หวังอะไรทั้งนั้นฉันรสนก็เป็นส่วนเกินนิ้นทาก็เป็นส่วนเกินเราพอแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นส่วนเกินเราไม่เกี่ยวข้องเราทําด้วยความไม่ตาม่างของเราล้วนเมื่อถึงเวลาที่จะเป็นไปได้เราก็ทําอย่างนี้เมื่อชุบวิสัยแล้วก็สละทั้งขยะ คือร่างกายของเรานี้เท่ากับถังขยะ <C oughs> นี่พูดอย่างเอบาะๆนะนี่นนะเอร่างกายของเราเนี่เหมือนกับถังขยะเสียดายมันอะไรเมื่อมันหมดสภาพที่จะใช้แล้วฉลัดทิ้งกว้งเดียวไปเลยสิ่งที่เลิศเลอ ก, กว่านี้มีให่ใจก็ครองอยู่แล้วจะมา ห, หึงหวงอะไรกับภาษาถังขยะนี้แล้ววันนี้การแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรจะเวาีา <c oughs> ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทิน <c oughs>